เออเขาก็มีมุมที่ถูกอยู่ด้วยเหมือนกันนะอ่าเนี่ย ม, มันเริ่มไอไอที่เราจะผลักมันก็เริ่มเบาลงเพราะว่าเออเขาก็มีส่วนดีนะเหมือนอ่ตมาเมื่อเร็วๆเนี้ยก็ฟังข่าวไอ้ที่อะไรนะกฟผาการไฟฟ้าอะไรฝ่ายผลิตกับอะไรอ่ะที่รัฐบาลจะแปลรูปอะไรเงี้ยไอตอนแรกๆ ก, ก็โอ้โหต่างคนก็ เรียกว่ายืนกระต่ายสามขานะหรือยืนกระต่ายขาเดียวก็แล้วแต่ว่าทางนี้ก็บอกต้องอย่างนี้เท่านั้นนะมาอีกฝ่ายก็ต้องอย่างนี้เท่านั้นโหยึดกันอย่างเงี้ยต่างคนต่างยึดอย่างนี้คุณว่าตกลงกันได้ไหมไม่มีทางหรอกจะตกลงกันได้ไงต่างคนต่างตั้งป้อมยึดของตัวเองไว้อะไม่มีทางหรอก ปนีพนอมหรือว่าจะมาพูดคุยตกลงกันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเลยแล้วตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยถ้าพยายามนะเอามาพิจารณาสมมติว่ามีใครเป็นกลางขึ้นมาเอาเอาเอาอย่างนี้มาพิจารณาว่าเอาอย่างนี้มีดีมีเสียยังไงบ้างเอออันนี้มีดีมีเสียยังไงบ้างใช่ไหมแล้วก็เออเอามารวมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเอออย่างนี้สิ คิดว่าคุยกันได้แล้วก็ยอมกันได้บ้างอย่างเงี้ยมันถึงจะปล่อยวางได้บ้างเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะยิ่งยึดว่าต้องเอาอย่างของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นโถเอ๋ยจะวางได้ไงคนเถียงกันอย่างเงี้ยหรือคนอะไรอ่ะต่างคนต่างจะเอาชนะกันเนี่ยใช่ไหมไอ้นี่ก็ยึดร้อยเปอรเซ็นไอ้นี่ยึดรอย์เหมือนกันว่าต้องเอาอย่างฉันเท่านั้นคุณว่า การคุยกันตกลงกันได้มหมอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกมีแต่ทะเลาะกันหรือว่าในที่สุดก็ น, นั่นแหละรุนแรงไม่มีทางอื่นเลยมีแต่ความรุนแรงเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยถึงบอกว่าต้องพยายามมองมุมดีของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้มุมเสียของเราเนี่ยในในร้อยอร์เซตของเราที่เราคิดว่เาเราถูกเนี่ยสมมติว่ามีมุมเสียสักสิเปอนต์ะนะเอาแค่สิบอร์เซ็ก็พอละเออก็หักออกไปที สิแต่อันนี้ต้องมาดูทั้งสองฝ่ายก่อนนะอา้าวฝ่ายนู้นเขามีมุมดีเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วมีมุมเสียเท่านี้เท่านี้อา้าวก็หักกันออกไปอา่าแล้วก็เอามุมดีมารวมกันถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยมันมันคุยกันได้มันถึงจะปะนีปนอมแล้วก็ทํางานร่วมกันได้หรือว่าอยู่ร่วมกันอย่างผาสุเพราะทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าเออก็ไม่ได้เอาแต่ กิเลสของตัวเองแม้ว่าจะอ้างว่าผลประโยชน์เพื่อประชาชนหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่แหละจริงๆมันก็อัตตามานะนะยึดแต่ว่าเราถูกอคนอื่นไม่ถูกถ้ายึดหยุดแต่อย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะอันนี้อันเนี้ยต้องหัดนะเวลาพูดก็พูดง่ายทุกทีแต่พอเวลาจริงๆก็โอ้โหหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าหน้าแดง คือคือมันมันถ้าเผลอแผลปเดียวเท่านั้นเองเ่ยมันก็เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่พคนเราก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องและคนอื่นเนี่ยยังมีไม่ถูกเยอะกว่าเราแน่นอนเพมันเป็นอยู่อย่างเงี้คนนั้นวางวางคนอื่นยากเพราะฉงการที่จะวางคนอื่นได้เนี่ยก็ต้องหัดหัดมองเห็นความบกพร่องของตัวเองและเห็นความถูกต้องของคนอื่นเนี่ยให้มากขึ้น ถ้าตาบใดมองตรงนี้ไม่ออกเนี่ยปล่อยวางไม่ลงอไม่มีทางปล่อยวางได้เลยเพราะทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมามันก็คิดหาเหตุผลไอ้เข้าข้างความถูกต้องของตัวเองอยู่นั่นเนี่ยก็เข้าข้างความถูกต้องของตัวเองพอเวลาคิดถึงคนอื่นก็หาเหตุผลแต่ไอ้ความผิดของเขาอ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ค, คุณจะเพิ่มจํานว น, นไปเรื่อยๆอเหตุผลเนี่ย ค, ค, คุณคิดคุณคิดร้อยครั้งนะเหตุผลคุณก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยอ จะเป็นร้อยครั้งตามหรือจะเป็นอาจจะมากกว่าร้อยครั้งโดยซ้าไปมันก็เพิ่มอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะความคิดมันมันยึดอยู่เหมือนเดิมว่าฉันถูกแล้วแกผิดเพนาะทุกครั้งที่คิดถึงตัวเองก็หาแต่ไอ้มุมถูกถูกของตัวเองเข้ามาอยู่เรื่อยเสริมเพราะพวกเนี้ยิ่งยึดหนักกว่าเดิมยิ่งไม่ยอมหนักขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัวเองเนี่ย ให้ให้เป็นกลางหรือว่าให้ถูกต้องขึ้นมาได้จริงจะยิ่งเข้าข้างตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นแล้วจะเกิดความเห็นแก่ตัวหนักขึ้นเพราะบอกแล้วเมื่อเขายิ่งไม่ยอมเราก็แหมยิ่งต้องเอาชนะเขาให้ได้ยิ่งเอาชนะก็ยิ่งคิดเหตุผลนะคิดหาเหตุผลที่จะแปลว่าต้องจัดการเขาให้ได้เพราะนั้นไม่มีวันจบเลยอย่างเงี้ยไม่มีวันจบ เพราะใครเนี่ยอยากจะมีความสุขในชีวิตจริงๆอยากจะปล่อยวางได้จริงๆนะปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางเลยหรอกปล่อยวางกิเลสของเราเนั่นแหละไอ้ตัวที่ยึดไอ้โดนไอ้นี้จนทำให้มันเต็มไปด้วยอัตตามันก็เลยเป็นอนัตตาคือคือหมดกิเลสเนี่ยไม่ได้อนัตตก็คือความหมดกิเลสเนี่ยมันก็เลยทำไม่ได้สักที คิดขึ้นมาทีไรก็อัตตาของเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวางไม่ได้หรอกถ้าใครตาบใดเนี่ย ย, ยังยึดอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางแก้แล้วยิ่งเป็นเป็นยักษ์ใหญ่นะยักษ์ยักษ์ไอ้นั่นด้วยยักษ์กินคนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาโอ้โหข่าวนี้เราจะจัดการมนุษย์หน้าไหนอะ่ะ เข้ามาควางจับกินเรียบ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนั้นนะั น, นั้นเป็นข้อสามส่วนข้อสี่แล้วกี้อาตมาก็มีพูดพูดไปบ้างแล้วแหะที่คนเราวางไม่ได้เนี่ยนะก็นั่นะแหละมันก็เอาตามใจตัวเองนะมุ่งแต่จะเอาให้สมใจตัวเองแล้วตามใจตัวเองซึ่งบางครั้งเนี่ยที่วางไม่ได้เพราะอํานาจของโทสะ ของความโกรธมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นนี่พูดง่ายๆว่าโอ้โหคุณหน้าดําเขี้ยวงอกตาเขียวอะไรไปแล้วใช่ไหมพราะนั้นน่ะไอสตินี่มันขาดละขาดสติที่ดีละว่าอ๊าอำนาจของไฟโทสะเนี่ยมันเข้ามาครอบงําเพราะฉะนั้นพอคุณขาดสติเนี่ยคุณคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องจัดการคน อ, อื่นเขา เพราะเนี้ยถ้าใครปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะว่าไปสะสมกิเลสเนี่ยจะเป็นโทสะก็ตามเนี่ยสะสมไว้มากจนทําทให้พอเวลามันวูบขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติเลยซึ่งคนที่จะขาดสติได้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกฝนไม่ค่อยได้ฝึกอดทนอดกลัน้นอ่าพอเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาป๊อทันทีเลยไออารมณ์นี้มันสะสมมาเยอะเนี่ยนะมันก็พุ่งขึ้นทันที คนนี้ขาสติก็จัดการทันทีเลยน่ลงไม้ลงมือเขาทันทีมันจะไปปล่อยวางได้ไงมันมันวางไม่ทันละออามันวางไม่ทันจริงๆเรียกว่ามันไม่ปล่อยวางมันปล่อยทิ้งเลยจะทิ้งหมัดหรือว่าจะทิ้งมือเท้าอะไรก็แล้วแต่มันทิ้งโครมให้ละตอนนี้นะอันนี้อันนี้ในสายของโทสะแม้แต่ในสายของราคะก็ตาม อ่าทำให้วางไม่ได้ไปหลงมากไปรักมากใช่ไหมมันก็ลําเอียงใช่ไหมมันก็เข้าข้างไอ้ที่เราไปรักอ่าไอ้โทรศัพท์เราก็ลําเอียงไปใน้างชังเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ลําเอียงอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลามันวูบขึ้นมาก็วูบถ้าเป็นราคาก็วูบไปในทางรักไปในทางชอบใจนะมันไม่ยุติธรรมหรอกสมมุติว่า บีเด็กสองคนทะเลาะกันนะหรือว่าแย่งขนมกันเอ้านะเราชอบเด็กคนนี้มากกว่าเด็กอีกคนนึงโอ้พอเห็นทะเลาะกันปัป๊บเอ้าเราเรารักเด็กคนนี้มากกว่านะบางทียิ่งโอ้โหยิ่งรักมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งวุ้ยิ่งหน้ามืดบอกแล้วยิ่งหน้ามืดเนี่ยมันเข้าข้างเด็กที่รักเลยส่วนไอ้เด็กที่เราไม่ได้รักเนี่ยบางทีเราอะไรอะด่าว่าหรือเราไปแย่งขนมจากไอ้ี่ เด็กคนนั้นมาให้เด็กคนที่เราชอบเลยจะเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยคืออำนาจของกิเลสที่มันไปสะสมมามากจนทำให้นึกอยากจะวางก็ไม่รู้จะวางยังไงเพราะว่ามันหนาเหลือเกินกิเลสที่สะสมไว้มันหนาเหลือเกินมันมากเหลือเกินจนกระทั่งต่อให้คุณมีสติอยู่นะคุณพอจะรู้ตัวนะแต่คุณบังคับไม่อยู่คุณจะไม่มีตัวเจโต เนี่ยไม่มี เ, เจโตคือไม่มีอำนาจของจิตที่จะควบคุมหรือจะบังคับได้เพราะคุณไม่ไม่ฝึกมาเนี่ยทุกครั้งที่โธสะขึ้นเราก็โกรธเราก็เกลียดชังเราก็ไม่ชอบใจแล้วก็สะสมตัวนี้ไปเรื่อยอ่าทุกครั้งที่เราเกิดราคะเราเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความชอบใจเราก็สะสมตัวนี้ไปเรื่อยเพราะไอ้พวกนี้มันก็หนาขึ้นเรื่อยหนาขึ้นเรื่อย เสร็จแล้วเอาต่อให้เรามารู้วิธีคันนี้อ้อท่านบอกว่าให้ต้องอย่างนี้นหรือว่าเอาวิธีแก้นะให้ทำอย่างนี้แต่พอมันวูบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน้ำหนักที่เราไปสะสมไว้สักห้าสิบกิโลนะความหนาของกิเลสเราห้าสิบกิโลแต่ไอ้ที่เราฝึกบังคับใจมาฝึกมาแค่ห้ากิโลหรือสิบกิโลโถเอ้ยมันจะไปสู้ไหวยังไงไอ้นำ้ำเกลวูบไปแล้วบางที วูบเดียวเนะี่ยก้าคนตายก็ได้เออถึงขั้นนั้นเลยหนักถึงขั้นนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินข่าวบ่อยๆสายโทรศัพวูบขึ้นมาเสร็จทําร้ายคนฆ่าคนตายหรือแม้แต่ไอ้ไอ้กามเนี่ยเรื่องความรักใครชอบพอวูบขึ้นมานี่ก็ทำร้ายคนอื่นถึงความตายก็ได้อีกเหมือนกันเออหรือว่าโอ้โหหลงไหลเน่ามากมายจนกระทั่งเรียกว่า ใครต่อใครนี่ขวางไม่ได้เลยนะเนี่ยเียถ้าใครไปสะสมตัวกิเลสพวกเนี้ยนะหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็วางไม่ลงวางยากทาั้งทั้งที่รู้ตัวก็ยังวางยากวันสำหรับอันนี้เนี่ยก็ยังดีนะถ้ามีสติรู้ตัวเพราะว่าถ้ามีสติรู้ตัวมันก็ยังอะไรอ่ะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะอันคราวนี้ไม่ทันโอ้โห โกรขึ้นมาวุบเดียวตบหน้าเข้าไปฉาดนึ่แหละโอ้โหตบไปเสร็จนะยังไม่ทันรู้ตัวบางคนตอบอีกฉาดหนึ่งโอ้โหตายแล้วถึงจะรู้ตัวสติมันมั น, ม, นมันมาช้านะตบเข้าไปสองฉาดแล้วถึงโอ้โหรู้ตัวรู้ตัวปั๊บต้องหัดเลยหัดหยุดหยุดหยุดเอเ อ, เ อ, เอความสะใจความสมใจที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ย ต้องหยุดเลยแล้วก็ต้องรีบปรับรีบแก้อารมณ์ของจิตเราทันทีขอโทษได้หรือว่าให้เขาตบคืนก็เอา <c oughs> <c oughs> นะที่จะแบบว่าโอ้โหแก้จิตเราที่จะทำให้มันกิเลสตัวนี้มันลดลงได้นี่ก็ต้องทำกันแหละ ม, มีพวกเราบางคนเนี่ยทำงานทำการไปรู้นะว่าตัวเองผิดพลาดนะรู้ว่าตัวเองบกพร่องนะแต่บอกตรงๆไม่กล้าสารภาพ ไม่กล้าขอโทษมีอั น, นอันนี้ไม่ใช่ฐานง่ายๆนะนี่นี่พูดสำหรับพวกที่ฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วนะอาจจะไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปทำร้ายอะไรรุนแรงหรอกบางทีก็เรื่องการพูดจาบ้างบางทีก็เข้าใจผิดทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแต่เราเป็นคนพลาดจริงๆพอเรามารู้ตัวว่าเราพลาดไปแล้วไม่กล้าไม่กล้าขอโทษ ไม่กล้ายอมรับผิดว่าเออตัวเองผิดไปแล้วถ้าใครเนี่ยตาบใดไม่กล้าอยู่อย่างนี้นะแล้วไม่ฝึกไม่ฝึกกล้าให้ได้คนนั้นก็จะไม่มีวันปล่อยวางได้ก็ยังจะสะสมไอ้ตัวที่เรียกว่าเราทําผิดแล้วเราก็แม้ว่ามันจะมีตัวละอายบ้างนะแต่ตาบใดยังไม่กล้าทําเนี่ยมันยังล้างไม่หลุดทันทียังล้างไม่ออกไม่กล้าที่จะสารภาพ ผู้เจ้าเนี่ยสาหรับเนี่ยถ้าเป็นภิกษุไปทําผิดอะไรมานี่ผู้เจ้าท่านต้องต้องต้องให้ปรงอาบัติจริงๆก็คือให้หัดมาสารภาพผิดอะไรไปบ้างนะออสองอาทิตย์ที่ผ่านมาทําผิดอะไรมัง่งปากหนึ่งอะเนี่ยต้องมาฟังปฏิโมยมีอะไรผิดบ้างไหมนี่ถ้าผิดต้องสารภาพถึงจะพ้นผิดถึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ ถ้าไม่กล้ารับผิดนะไม่ไม่ถือว่าไม่พ้นผิดถือว่าไม่บริสุทธิ์คนนั้นก็ะพุง้งง่อย่ังหมักหมมไอของเน่าของเสียเอาไว้เพราะนั้นถ้าใครเก็บสะสมหมักหมมมาอย่างนี้มั น, ม, นมันไม่มีวันสะอาดไม่มีวันเบาสบายได้มันก็ยังคาอยู่ในใจอย่างนั้นแะมันต้องหัดให้ได้อันนี้หลักการของศาสนาพุทธยิงค่อนข้าง มาในทางที่ให้หัดสารภาพให้หัดสารภาพนะเพราะฉะนั้นใครทำได้ก็จะดีแล้วก็จะทําให้คนนั้นเนี่ยจะปล่อยวางได้มากขึ้นเพราะการได้พูดออกไปการได้สารภาพออกไปการได้บอกออกไปเนี่ยนั่นแหละคือการหัดปล่อยวางอย่างน้อยน้อยมันจะวางใจได้ว่าอา้าก็เราผิดพลาดไปแล้วอะ่ะ เ, เราพูดออกไป แล้วเขาจะอะไรอะ่ะลงโทษหรือจะอะไรเรายังไงก็เอาก็ตามความเป็นจริงอะ่ะก็เราผิดพลาดไปใช่มคนนีย้ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ได้หัดสารภาพออกไปนั่นแหละนั่นแหละคือการได้หัดปล่อยวางแล้วโดยเฉพาะที่สําคัญคือหัดปล่อยวางจิตตัวเองเนี่ยที่ไม่เก็บเอาไอ้ mon t h เนี่ยไม่เก็บเอาของเสียไม่เก็บเอาของผิดผิดเอาไว้กับจิตของเรา เพราะนั้นมันจะไม่หมักหมมจิตมันก็จะเบาสบายขึ้นนะแล้วก็จะทําให้คนนั้นนะ่ะปล่อยวางได้เก่งขึ้นปล่อยวางได้ดีขึ้นปล่อยวางนี่บอกแล้วนะไม่ใช่แบบปล่อยทิ้งกเ็เรียกกระลาดใครจะไงก็ช่างไม่ใช่ปล่อยวางนี่คือทําให้ใจของเราเนี่ยวางได้ทํางานกับใครๆก็ได้หรือแม้แต่ทํางานกับคนที่เป็นปัญหากับเราเนี่ยเราก็ทําได้แล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยแบบว่าเออ ไม่คราวนี้ก็ไม่คิดกับใครในแง่อะไรอะรายๆแง่ไม่ดีกับคนโน้นกับคนนี้เวลาจะนึกจะคิดจะอะไรกับคนอื่นเขาก็จะคิดในแง่ดีคำว่าคิดในแง่ดีนี่ไม่ใช่หมายความว่าอะไรอะอไม่ดีเขาเราไม่รู้เราหลับตาเราไม่เห็นมันไม่ใช่นะแง่ไม่ดีเขาเราก็เห็นเราก็รู้ ว่าเออเขาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้แต่ไม่เห็นต้องมาเอามาคิดมากเลยเนี่ยไอ้ น, นี่เขาไม่ดีเราก็รู้แหละทำไมจะต้องเอามาเอาเอาความไม่ดีงเข้ามามาปรุงมาคิดใหญ่คนนั้นโง่คนนั้นโง่เพราะว่ายิ่งเอาแง่ไม่ดีมาปรุงมาคิดบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าถามหน่อยเถอะคุณจะชอบขี้หน้าคนนั้นหรือเปล่า <c oughs> มันไม่มีทางเลยจะมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งคิด เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เ, เรื่อยๆบอกว่าเหตุผลมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาวันนี้ไอ้นี่ผิดอย่างนี้นะเอาภูมินี้ไอ้นี่ผิดอย่างนนะู้นอะไรต่ออะไรโอ้โหเก็บนะจําจําจําได้ดีเท่ด้วยนะคนทําผิดๆอะไรนี่จําแม่นเท่าด้วยนะคนทําดีๆนี่จําไม่ค่อยแม่นนะ ười, คือคือปกติอันนี้เป็นอํานาจของกิเลสปกติที่เรียกว่าความดีของคนอื่นเนี่ยเรามักไม่ค่อยใส่ใจมักไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอก จำก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเป็นความไม่ดีของคนอื่นโอ้โหจำแม่นจำแม่นมากสิบปีก็ยังไม่พ้นอายุความ <c oughs> คือยังจำได้อยู่หรือบางทีเนี่ยพอมาคราวนี้พอมาที่ตัวเราใช่ไหมโดยอันน่าของกิเลสมันก็มักจะแหมความดีของเราเนี่เราจำแม่นนะเราเคยช่วยคนนั้นไว้กี่ครัง้งกี่คนช่วยอะไรบ้าง แต่เราไปทําไม่ดีอะไรกับใครเข้าไว้นะให้เขาโกรธเกลียดชังจะลืมแล้ว <c oughs> จาไม่ค่อยได้เนี่ยเนี่ยกิเลสคนเรามากักจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องต้องสลับให้ได้สําหรับคนอื่นแล้วเนี่ยต้องพยายามนะมองมุมดีของคนอื่นให้ได้ไอ้มุมที่เขาไม่ดีเราก็รู้แหละแต่ไม่ต้องไปจดจําไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกก็รู้ว่าเขาไม่ดีมุมนั้นมุมนี้ก็รู้เอาไว้ก็แล้วกันแต่มุมดีของเขาอะเออเราพยายามเอามาปรุงมาคิดมาพิจารณา มันถึงจะล้างกิเลสพวกพวกเนี้ยที่เราสะสมเอาไว้พวกเนี้ยมันถึงจะลดลงส่วนตัวเราเองก็ถึงเออหัดมองความบกพร่องความผิดพลาดของตัวเองใช่ไหมเออเราบกพร่องเราผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยถ้าหัดอย่างเนี้ยมันจะปล่อยวางได้ดีขึ้นเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่หลงตัวเองนะว่าตัวเองถูกตัวเองดีตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นเขาถ้าคุณไม่คิดอย่างเงี้ย รับรองเลยคุณไม่ค่อยไปเอาเอาเรื่องใครซักเท่าไหร่หรอกจริงเห็นคนอื่นก็ทำผิดป้าก็อาจจะแนะนำอาจจะบอกกล่าวแต่คุณจะไม่มีจิตแบบว่าเหมือนกับยกตนเนี่ยว่าข่มเขาหรือว่าเนือกับเขาหรือว่าพูดแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะกดขี่เขาอ่ะหรือว่า ย, ยาย้มเขาอะไรเงี้ยจิตอย่างนั้นมันจะไม่มีเพราะเนี่ยแก่อย่างเงี้ยปรับให้ได้นะส่วนสุดท้ายที่จะมาคิดว่า คนเรานี่จะปล่อยวางได้ซึ่งบางทีเนี่ยจิตเราก็ดีอยู่หรอกนะจิตเราก็ดีอยู่มีเหมือนกันบางทีก็ยึดดีก็มีนะยึดดีเนี่ยยึดดีจนวางไม่ได้อันนั้นก็เป็นมานะเหมือนกันเป็นความยึดดีที่เป็นมานะเป็นอัตตาเหมือนกันก็ทําให้ทุกข์อีกเหมือนกันมาไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะยึดดีมากๆเขามันวางไม่ลงก็ทุกข์วันถ้ามันจนทาง คือบางทีเนี่ยสมองเรามันตือ้อมันมันทึบมันคิดอะไรไม่ออกละเพราะบางทีเราต้องอาศัยสัตบุรุษคำว่าสัตบุรุษหมายถึงว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอ่าที่จะแนะนำที่จะบอกกล่าวที่จะทำให้เราเนี่ยคิดในทางที่ดีหรือในทางที่ถูกต้องเนี่ยได้ได้มากขึ้นหรือว่ามีความคิดที่มันมันฉีกออกไปในทางที่ดีเนี่ย ได้แง่คิดมุมใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะบางทีมันตื้อจริงๆอย่างเช่นบางทมีมีบางคนมาถามว่าท่านก็บอกให้คิดในแง่ดีเขาคิดยังไงฉันคิดไม่ออกอะ่ะไม่เห็นมันจะมีดีตรงไหนเลยเอาเอาจริงๆริงนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะเอาบางทีแล้วก็พูด ง, ง่ายๆในตื้อๆเนี่ยบอกอ้าวอาคุณว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ย เ, ย เ, ยเยขาอุตส่ามาวัดบ้างเขามาทําบุญบ้างเขามาฟังธรรมว่า คุณว่าอย่างนี้เขามีดีบ้างแมเอ่เอ่อหรือบางทีเขามาแล้วก็เอ้าเขามาช่วยทำงานทำการอะไรที่โอโหเงินทองอะไรเขาก็ไม่ได้ไม่มีผลประโยชน์อะไรเขาก็มาเสียสละบ้างอะไรบ้างเนี้ยแม้ว่าเขาจะปากบอนบ้างกระด้ <laughs> อ่าใช่ไหมล่ะเออเขาก็มีมุมดีอยู่มุ ม, ม, มน้ำมุมนมุมนี้คือจริงๆเนี่ยถ้าคิดจริงๆเนี่ยบางคิดได้แต่ที่บางทีบางคนบอกว่าคิดไม่ได้หรือคิดไม่ออกเนี่ยบอกก็ได้ บางครั้งอำนาจบอกแล้วอำนาจของความยึดของเราที่เรายึดอยู่ว่าไอคนที่มันมีแต่ไม่ดีมันบังตาคุณหมดเลยมันเลยทำให้อไที่ดีๆเขามีบ้างเนี่ยคุณคุณเลยมองไม่ออกเลยแล้วมันก็เลยคิดไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยว่าบางครั้งก็เออไปหาที่ปรึกษาหรือหาใครที่จะช่วยชีย้แนะได้บ้างเผื่อว่าเราเองเราจะได้เข้าใจได้อะไรอะ่ะได้แง่มุมใหม่ๆที่มันดีที่มันชัดเจนขึ้น แล้วก็คงจะทําให้เราบางทีพอมันมันได้คิดขึ้นมาเออจริงด้วยเขาก็มีมุมนั้นดีเหมือนกันมีมุมนี้ดีเหมือนกันพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยไอความที่เราคิดว่าเขาผิดเนี่ยเออเขามีส่วนนี้ดีนะส่วนนี้ถูกนะมันก็เหมือนกับตาช่างเนี่ยมันก็เออพอที่จะเอามาถ่วงกันได้บ้างมันก็ทําให้เอกความไม่ชอบใจความถือสาอะไรคนอื่นเขานี่ก็เบาลงมันก็ไม่ไปมากยิ่งถ้าใครวางได้จริงคลายได้จริงก็ สบายเลยคราวนี้แล้วคราวนี้อ่ะจะเป็นคนที่มีตาที่ตาทิพตาที่ถูกต้องตาที่ชัดเจนจริงๆมองคนอื่นไม่ได้มองแต่มุมเดียวมองคนที่เราเกลียดก็มองแต่มุมที่เขาผิดเขาไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้พอมองคนที่เราชอบครับโอ้โหคนนี้มีแต่ดีอย่างนั้นดีแต่งนี้มุมผิดก็เลยไม่ค่อยมองเลยอย่างเงี้ยพวกตาบอดข้างหนึ่ง ตาบอดข้างหนึ่งตามีสองข้างเอามองมันครบตีสองลูกกระตาแล้วเราก็ดูได้ทั้งถูกทั้งผิดเนี่ยนะคนเราเราก็ต้องรู้ทั้งสองมุมนะแล้วมันจะวางได้แล้วก็จะช่วยทําให้เราคลายใจคนที่ปล่อยวางได้อย่างนี้รู้สัจจะรู้ตามความเป็นจริงรู้เรื่องวิบากกรรมแล้วก็ฝึกฝนหัดวางใจคนนั้นจะเบาขึ้นแล้วก็จะไม่ อะไรอ่ะไม่ไปโกรธเกลียดรักผูกพันหรือว่าไปถือสาอะไรใครเขามากมันจะรู้จักความพอดีพอเหมาะคนที่มองได้ทั้งสองมุมเนี่ยจะจะรู้ความพอดีพอเหมาะเนี่มากขึ้นคนที่ยัง ต, งตรงตงมองใครแบบตาเอียงเอียงตาเข็เขมองใครเขานะถ้าอย่างนี้มันจะลำเอียงหรืออักคติจะมองเพราะรักเพราะชังเพราะอะไรก็แล้วแต่ มันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วคนที่มองอย่างนั้นก็จะไม่มีวันปล่อยวางได้จริงบางทีบอกแล้วปล่อยวางโดยไม่จริงหรอกบางคนปล่อยวางหลอกหลอกออไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยถ้าลองไปฝึกฝนลองแปลอะไรดูก็คิดว่ามันน่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบขึ้นดีขึ้นเจโตของเราเนี่ยการบังคับจิตของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นนะเจโตในนี้ เจโตไม่ใช่แบบรือสีนะเจโตแบบของพุทธคือรู้จักใช้ปัญญาเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็โน้มน้าวบังคับหรือว่าข่มจิตเราให้มันรู้จักสัจธรรมเข้าถึงสัจจะแล้วมันก็จะได้แบบว่าวางได้ปล่อยได้แล้วอย่างเงี้ยในอัตตาของเราที่มีเยอะๆแยะๆมันถึงจะเบาลงถึงจะลดลงแล้วเราถึงจะน่ะค่อยๆ ไปถึงอนัตตาได้นะถึงความหมดกิเลสนะไอเรื่องราคะโทสะโมหะแรงต่างมันถึงจะเบาลงได้นะแลนะได้ะคนนั้นก็จะเป็นคนที่พ้นทุกข์ได้มากนะเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่ที่ถูกต้องแล้วก็ที่แท้จริงเป็นความสุขแบบโลกุตระไม่ใช่เป็นความความสุขแบบโลกียะนะความสุขแบบโลกุตระก็คือเหนือโลกโลกีย์ละ นะไม่ใช่ความสุขแบบชาวโลกีแต่เป็นความสุขที่เหนือชาวโลกี อ, อ่ะวันนี้คงนะฝากไว้เท่านี้